บุ๊กทูสามสิบสองบัตติสบัติ ส, ตสที่ร้านอาหารสี่ขปภ ร, รุฮัตขปภรุฮัตขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ เอกราดเฟรนช์ฟรายส์อันนี้เคจกและมายองเนสสองที่ फ ् र ์เพลทเฟรนช์ฟรายส์อันนี้เมยอสายส์อันมและไส้กกกับมัสตาดสามที่ที ट เพลทบาซเลลิซอสเซจ स มฮอริชาเพสต์สห मोहरीचा पेस्ट सह คุณมีผักอะไรบ้างคะอพละกัดเอขอाเตะा आ ह े त เฮทอพละกे को อขอนเตाบะจ้าเฮทคุณมีถั่วไหมคะอพละกัดเอบีนा์เฮทกะอพละกัดेอบคุณมีดอกกะหล่ำไหมคะอพละกัดเอฟุลโกบีเฮท อาพลักดีๆผูกอบีอาเฮก้าดฉันชอบทานข้าวโพดหวานมลมะกะคลาอวัดตัวมลักมะกะไคลลาอวัดตัวดิฉันชอบทานแตงกวามลักกะคดีไคลลาอวัเตมลักกะคดีไคลลาอวัดเตยดฉันชอบทานมะเขือเทศมลักทอมัตโตไคลลาอวัต มาลาตโตขลาอวคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะอาพลัाล์ลีุ द t ध ाไข่ลาอ व รต का आप า ्या ลลีกสุด tha ไข่ลา व วรสต์คะคุณชอบทานกะหล่ำปรีดองด้วยใช่ไหมคะ आपल्याला อ च ा र ी बंद क ोด์โคบีส t a ไข่ลาอวรต์คะอาพลลอาจารยบันดบสุด tha ไข่ลวตะ คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะ आ प เปล่าล่ะมะซु द ् ध ा ख tha ไข่ล่ะอวัตรตัाก้าอะะสุข t h ไขตกคุณชอบทานแครอท ด, ด้วยใช่ไหมคะ त ุลากาจ า, กาุข tha ไ ला ล व ะ त ा त ตรตักก้าตุลากาจาร์สุข tha ไข่ล่ะอวตักก้าคุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะ तुला ब ् र ก क คลีสดๆเข้าाห้ลาอวั क ा क ัु้าตุลาบรอกโคล्สाๆเข ला ให้ลาอวตก้คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะ त ุลาบุปเพริมิรชีสดๆเा้าให आवडत วัด त ัก้าตุลาบุปเพรขลาดตกดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่ म ลกัน द ดออูรัตนาหิตมากร ह ต ดิฉันไม่ชอบมะกอกมันละอ olive อวดตน่ฮิมัละอ o l i ดต์่ิฉันไม่ชอบเห็ดมันละอาร์มบิละอารัตนฮิ